พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมมังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามเพฤษภาคม2501เรื่องบุญยะกิริยาวัตถุ ในการนั่งสมาธิให้คอยสังเกตดูว่าจิตใจของเราได้ตั้งอยู่ครบในองค์ภาวนาหรือไม่การเจริญสมาธินั้นจะต้องประกอบพร้อมไปด้วยองค์ทั้งสามประการจึงจะนับว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักของการภาวนาซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดผลสมบูรณ์ขึ้นได้ตามความปรารถนาองค์ของภาวนาที่กล่าวนี้ก็คือหนึ่ง วัตถุสมบัติหมายถึงที่ตั้งของดวงจิตกล่าวคือลมหายใจเข้าออกซึ่งเราจะต้องคอยกำหนดรู้อยู่เสมอไม่ให้ใจวอกแวกไปทางอื่นหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือฐานซึ่งแปลว่าหลักหรือที่ตั้งแห่งการทำจิต 2. เจตนาสมบัติได้แก่ความตั้งใจคือเมื่อเรากำหนดรู้ ลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะต้องมีสติจดจ่ออยู่เฉพาะแต่ลมหายใจอย่างเดียวโดวยการระลึกคําว่าพุทธตามเข้าไปพร้อมกับลมหายใจเข้าและคําว่าโทตามออกมาพร้อมกับลมหายใจออกทําอย่างนี้จนกว่าใจของเราจะนิ่งอยู่กับที่แล้วเราก็ทิ้งคําภาวนาเสียได้เมื่อใจนิ่งไม่ไปทางอื่นแล้วสติ ก็จะแนบสนิทดู่กับลมหายใจอย่างเดียวไ ม, ม่มีการพลาดการลืมการเผลอนี่เป็นตัวเจตนาหรือที่เรียกว่ากรรม 3. คุณสมบัติได้แก่ความฉลาดที่จะต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขและขยับขยายลมหายใจของตนให้เป็นที่สบายเช่นถ้าหายใจสั้นไม่สบายก็เปลี่ยนเป็นหายใจยาวสักหน่อย หรือถ้าหายใจยาวไปไม่สบายก็หายใจให้สั้นสักนิดสังเกตดูว่าหายใจยาวสั้นช้าเร็วอย่างไหนสบายเราก็หายใจอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อขัดข้องไม่สะดวกก็เปลี่ยนเสียใหม่แต่อย่าไปเกรงไปกัดหรือแข็งลมสกัดลมไว้ต้องปล่อยให้หายใจไปตามสบายการหายใจของเราจึงจะโปร่งโล่ง คล่องแคล่วไม่จุกไม่แน่นไม่อึดอัดเมื่อเป็นเช่นนี้ความอิ่มความเต็มความสุขเย็นก็จะบังเกิดขึ้นในดวงใจส่วนร่างกายก็พรอยจะได้รับความสุขไปด้วยนี้แหละคือตัวบุญกุศลที่ท่านเรียกว่ากุศลาธรรมาอันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการปรารถนาเมื่อบุคคลใดได้มาฝึกหัดอบรมดวงจิตของตนให้ตั้งมั่น อยู่ในหลักขององค์ภาวนาทั้งสามประการนี้แล้วดวงจิตของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความเชื่องว่าง่ายสอนง่ายไม่ดื้อดึงเพราะจิตเกิดความฉลาดขึ้นก็จะรู้จักว่าอะไรเป็นความดีของเราอะไรเป็นความไม่ดีของเราอะไรเป็นเรื่องของคนอื่นอะไรเป็นเรื่องของตัวเราความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆก็จะไม่บังเกิดมี แก่บุคคลผู้นั้นเปรียบเหมือนกับบัวที่ฝึกหัดดีแล้วก็ย่อมใช้การได้ดีเชือกที่จะผูกก็ไม่ต้องเปลืองเจ้าของก็เบาใจแม้จะปล่อยไปไหนตามลําพังมันก็ไม่หนีหายเมื่อไปแล้วมันก็จะกลับคืนมาที่เก่าได้เพราะมันรู้จักว่าที่ใดเป็นคอกของมันที่ใดเป็นคอกของคนอื่นคนใดเป็นเจ้าของคนใดไม่ใช่เจ้าของ สิ่งนั้นเป็นต้นหญ้าสิ่งนี้เป็นต้นข้าวมันก็จะไม่บุกรุกเหยียบย่าเข้าไปกินข้าวในนาของคนอื่นอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดการทะเลาะวิวาทขัดเคืองใจกันความสงบสุขก็จะมีแก่เจ้าของและคนเลี้ยงนี้อุปมาฉันใดดวงใจของบุคคลเราก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วใจนั้นก็จะเชื่อง ไม่เพ่นพ่านไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วใจของเราก็มักไม่ใคร่จะชอบอยู่กับตัวกล่าวคือมันย่อมจะไหลไปในทางตาบ้างไหลไปทางหูบ้างไหลไปทางจมูกบ้างไหลไปทางลิ้นบ้างและไหลไปในทางกายบ้างซึ่งแตกแยกออกไปเป็นห้าสายเหมือนกับแควแม่น้ําทั้งห้าซึ่งไม่ได้รวมอยู่เป็นสายเดียวกัน กำลังแห่งแม่น้ำนั้นก็ย่อมน้อยลงไม่ไหลได้แรงเต็มที่นอกจากดวงจิตของเราจะไหลไปตามทวารทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะแล้วมันยังจะไหลไปตามสัญญาอาดีตบ้างสัญญาอนาคตบ้างไม่ได้ตั้งอยู่ในปัจจุบันแห่งเดียวเหตุนี้ดวงจิตจึงไม่มีความสงบเพราะไม่มีเวลาได้พักผ่อน เป็นเหตุให้ขาดกำลังเมื่อกำลังจิตเสื่อมกำลังกายก็ถอยไม่สามารถในอันที่จะประกอบกิจการใดๆให้สำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมเปรียบเหมือนกับคนป่วยซึ่งย่อมเป็นที่หนักใจของหมอและคนพยาบาลเพราะหมอก็จะต้องมันมาตรวจดูอาการไข้คนพยาบาลก็ต้องคอยระวังให้ยาให้อาหารให้ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะจะลุกนั่งก็ต้องคอยอุ้มคอยพยุงต้องอดหลับอดนอนทั้งกลางวันกลางคืนทอดทิ้งไม่ได้ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของไข้ก็ต้องเดือดร้อนวิ่งเต้นหาเงินทองมารักษาพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานก็พากันหนักใจตัวเองก็ไม่ได้รับความสุขจะไปไหนก็ไม่ได้จะทาอะไรก็ไม่สะดวก ขัดข้องเป็นทุกข์ไปทุกอย่างข้าวปลาอาหารก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับเมื่อร่างกายเจ็บป่วยเช่นนี้ผู้นั้นก็ย่อมขาดกําลังนี้อุปมาฉันใดดวงจิตของบุคคลซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในความสงบนิ่งไหลไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆก็เปรียบเหมือนกับคนป่วยย่อมขาดกําลังที่จะใช้ประกอบกิจการใดๆให้สําเร็จได้เพราะดวงจิต ที่ไม่ได้ฝึกหัดอบรมนั้นก็จะเพ่นพ่านไปตามอาเภอใจเป็นจิตที่ดื้อดึงว่าก็ไม่ได้สอนก็ไม่ฟังเช่นบอกให้นอนมันจะนั่งบอกให้นั่งมันก็จะเดินบอกให้เดินมันก็จะวิ่งบอกให้วิ่งมันก็จะหยุดจะบังคับบัญชาอะไรก็ไม่มีผลคราวนี้เจ้าตัวบาปอากุศลต่างๆก็จะพากันไหลตามเข้ามา กล่าวคือกิเลหออวิชชาได้แก่ความโกรธโลภหลงเป็นต้นและนิวรณธรรมทั้งห้าก็จะเข้ามาครอบครองแทรกสิงอยู่ในดวงใจของผู้นั้นดังที่เรียกว่าเปรตหรืออสุรกายเข้ามาสิงอยู่ผู้นั้นก็จะมีแต่ทุกข์โทษเดือดร้อนวุ่นวายด้วยประการต่างๆซึ่งเป็นเหตุนำความพินาศทิพาหมาสู่ตัวเจ้าของเอง พระดวงใจผู้นั้นขาดกำลังที่จะต้านทานหรือขับไล่อวิชชาให้ออกไปจากจิตของตนได้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าคนเราทั้งหลายที่เกิดมาโดยมากย่อมจะเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้จึงมีแต่ความทุกข์ไม่ปลอดภัยเหตุนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้พวกเราทั้งหลายพากันสะสมกำลังกายและกำลังใจไว้ เพื่อต่อสู้กับความทุกข์ยากต่างๆกล่าวคือสงสอนให้เจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างกำลังกายใจให้มั่นคงเข้มแข็งสำหรับต่อต้านกับค่าศึกศัตรูที่จะเข้ามาย่ำยีปีธาดวงจิตของเราการเจริญสมาธิก็คือการฝึกจิตให้มีความสงบนิ่งเมื่อจิตได้มีความสงบนิ่งนานๆเข้าก็จะเกิดความใสต่อจากนั้น แสงสว่างก็จะบังเกิดขึ้นคือปัญญาตัวปัญญานี้แหละเป็นตัวกำลังที่จะให้ดวงจิตของเรารู้จักต่อสู้กับเหตุการณ์ดีชั่วทั้งหลายได้เพราะจิตฉลาดรู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักสัญญาอาดีตอนาคตปัจจุบันรู้จักธาตุขันอายตนะ รู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดอะไรเป็นของไม่จริงอะไรเป็นของจริงเมื่อรู้เช่นนี้จิตก็จะจืดจางเบื่อหน่ายปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ต่างๆปล่อยวางความยึดถือในอัตภาพร่างกายปล่อยวางความยึดถือในสิ่งภายนอกซึ่งล้วนแต่เกิดขึ้นจากความปรุงแต่งหาสาระอันใดมิได้ เมื่อจิตผู้ใดปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ทั้งหลายได้แล้วจิตของผู้นั้นก็จะมีความเบาสบายเหมือนกับคนที่วางหาบวางหิ้วลงแล้วจะเดินจะวิ่งหรือจะกระโดดก็ย่อมทำได้คล่องแคล่วจะนั่งหรือนอนก็เป็นสุขจะไปอยู่ที่ไหนๆก็สบายเมื่อใจได้รับความสบายใจก็มีความอิ่มไม่หิวโหยมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้ว ก็นอนหลับเมื่อนอนหลับก็มีกําลังจะประกอบกิจการในทางโลกก็ย่อมสำเร็จทางธรรมก็สำเร็จส่วนคนที่หิวนั้นก็เพราะไม่มีความอิ่มจึงเกิดการหิวเมื่อหิวแล้วก็โมโ ห, โหแล้วก็งุดงิดไม่สบายใจเมื่อไม่สบายก็เปรียบเหมือนกับคนที่เป็นโรคเป็นคนป่วยย่อมขาดกําลังวังชาจะประกอบ กิจการใดๆก็สาเร็จได้โดยยากส่วนผู้ที่ฝึกหัดอบรมดวงจิตให้เป็นสมาธิจนมีความสงบเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความอิ่มเต็มไม่หิวเกิดพระกำลังห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นเหตุให้ก้าวขึ้นสู่ความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อจิตสงบเป็นจิตตะปัสสิกายก็สงบเป็นกายะปัสสิ ด้วยธาตุขันก็เป็นไปด้วยความสงบไม่มีใครทะเลาะวิวาทกันร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นั้นก็จะอาบไปด้วยบุญกุศลคือความบริสุทธิ์ซึ่งไหลาจากกระแสะจิตไปตามธาตุดินน้ำไฟลมเปรียบเหมือนกับเทวดาสี่องค์มาสิงอยู่คือธาตุดินก็มีเทวดารักษาองค์หนึ่งธาตุน้ำ ก็มีเทวดารักษาองค์หนึ่งธาตุไฟก็มีเทวดารักษาองค์หนึ่งธาตุลมก็มีเทวดารักษาองค์หนึ่งเมื่อสิ่งใดมีผู้รักษาสิ่งนั้นก็ย่อมไม่สึกหรอเหตุนั้นธาตุทั้งสี่จึงมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมก็เป็นสามัคคีธาตุมีกําลังสามารถที่จะทนต่อความทุกข์ทรมานเจ็บปวดเมื่อยต่างๆได้ส่วนจิต ก็มีกำลังสูงขึ้นสามารถต่อสู้กับความทุกข์ทรมานใจต่างๆได้จิตก็จะยิ่งมีอำนาจแรงขึ้นทุกทีเหมือนกับดินตะลายที่เขาทำพลุหรือดอกไม้เพลิงเมื่อจุดไฟเข้าก็จะระเบิดดังและพุ่งขึ้นสู่อากาศได้สูงเต็มที่การเจริญสมาธิภาวนานี้ก็เพื่อจะสะสมกำลังหรือสเสบียงสาหรับที่จะเดินทางต่อไปข้างหน้ากาลัง หรือสเสบียงนี้ก็คือบุญกุศลถ้าใครมีกําลังมากสเสบียงมากก็ย่อมจะเดินทางไปได้สะดวกจะไปโลกมนุษย์โลกสวรรค์พรหมโลกหรือพระนิพพานก็ไปได้จะต่างกันก็แต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นคนที่มีสเสบียงมากมีกําลังมากการเดินทางก็ย่อมสะดวกเพราะจะขึ้นรถหรือลงเรือก็ไปได้ที่พักอาศัย ก็ร่มเย็นสบายอาหารการกินก็บริบูรณ์การเดินทางไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเท่าใดนักก็สามารถไปได้ไกลและถึงที่หมายเร็วส่วนผู้ที่มีสเสบียงน้อยมีกําลังน้อยไม่สามารถจะขึ้นรถได้ก็ต้องเดินเท้าเปล่าเหยียบกวดบ้างเหยียบหนามบ้างกาแดดกาฝนบ้างไม่มีที่พักอาศัยดีๆอาหารก็ไม่สมบูรณ์อดบ้างกินบ้าง การเดินทางก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเดิ่นช้ากว่าจะถึงที่หมายก็อ่อนใจแทบหมดแรงแต่การเดินทางนี้ใครจะไปถึงช้าหรือเร็วก็ย่อมไปสู่จุดที่หมายอันเดียวกันสมมุติว่าทุกคนต่างก็มุ่งหน้าจะเดินทางไปสู่กรุงเทพคนที่เดินด้วยเท้าอาจไปถึงในเวลาสามเดือนคนที่ขึ้นรถอาจไปถึงภายในสามวันแต่คนที่ขึ้นเครื่องบินไป อาจไปถึงภายในเวลาสามนาทีเท่านั้นเหตุนี้เราทั้งหลายจงอย่าท้อใจในการทำความดีจงเร่งรีบสะสมกาลังคือบุญกุศลไว้ให้มากๆเพื่อจะได้เป็นสเสบียงและยานพาหนะที่จะส่งเสริมตัวเราให้เดินทางไปถึงจุดที่หมายได้เร็วเมื่อไปถึงแล้วเราก็จะได้ประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขการทาความดีในทางธรรม ถึงแม้จะไม่สามารถสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้ก็ยังเป็นปัจจัยให้ส่งผลต่อต่ อ, ตอไปในภายภาคหน้าได้ผู้ที่เจริญสมาธิเปรียบเหมือนกับคนที่กำลังขับรถเดินทางไปผู้ใดมีความฉลาดรู้จักปรับปรุงแก้ไขขยับขยายลมหายใจของตนให้เป็นไปด้วยดีก็เท่ากับผู้นั้น ได้เดินทางไปตามถนนที่ลาดยางราบรื่นรถก็จะแล่นไปได้โดยสะดวกผลทางไกลก็จะกลายเป็นใกล้ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาธิจิตใจวอกแวกไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขลมหายใจของตนก็เปรียบเหมือนคนที่ขับรถไปตามถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบอ่อรุ่มรุ้มดอนดอนบางทีก็สะพานขาดบางทีก็ดินพังทั้งนี้ ก็ได้แก่การลืมตัวเผือตัวขาดสติปล่อยใจให้ตกไปในสัญญาอารมณ์ต่างๆบางทีก็อดีตบ้างอนาคตบ้างไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันผู้นั้นก็เปรียบเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักซ่อมแซมถนนหนทางของตนไม่ค่อยดูสิ่งกีดขวางและอันตรายที่จะมีข้างหน้าเขาก็จะต้องขับรถไปไม่สะดวกต้องหยุดชะงักปิดขัด ค้างแรมคร้างเดือนผลทางใกล้ก็จะกลายเป็นไกลบางทีก็กลับมาตั้งต้นใหม่อีกถอยหน้าถอยหลังวกไปวนมาอยู่อย่างนี้ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะขับรถพาตนเองไปสู่ที่จุดหมายได้เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายจงพากันตั้งใจจดจำำําคําบรรยายที่กล่าวมานี้และนําไปคิดพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจิตใจของตนดู มันฝึกอบรมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักขององค์ภาวนาซึ่งเรียกว่าภาวนาบุญญกิริยาวัตถุดังที่อธิบายมานี้ก็อาจจะประสบพบเห็นซึ่งความสงบสุขได้ตามความปรารถนาได้แสดงมาในธรรมกาถาแต่โดยย่อพอเป็นแนวทางที่จะให้เข้าใจในหลักของการภาวนาก็ยุติลงเสมอเพียงเท่านี้ อบรมสมาธิตอนบ่ายหนึ่งการเจริญสมาธิเปรียบเหมือนการขุดบ่อเพชรร่างกายเปรียบเหมือนก้อนหินใหญ่สติเปรียบเหมือนกับจอบหรือเสียมถ้าใครไม่ทำจริงๆคือขุดตื้นๆเพียงผิวๆหรือขุดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไม่ขุดลงไปที่เดียวแห่งเดียวแล้วขุดทั้งวันทั้งเดือน บ่อหนั้นก็จะไม่ลึกถึงแค่หัวเขาถ้าเราตั้งใจขุดลงไปเฉพาะที่เดียวจริงๆแล้วบ่อนั้นก็จะต้องลึกลงไปลงไปทุกทีจนกระทั่งไปพบก้อนหินใหญ่แต่คนโง่พอไปพบก้อนหินเขา้าก็จะวางจอบวางเสียมทิ้งเปิดหนีเลยได้แก่คนที่นั่งสมาธิพอมีอาการปวดเมื่อยก็ทนไม่ได้ ส่วนคนฉลาดเมื่อพบก้อนหินก็ยิ่งจะขุดเสาะลงไปลงไปจนเลยพ้นไปจากก้อนหินนั้นแล้วเขาก็จะได้พบก้อนเพชรอันมีค่าซึ่งติดอยู่ภายใต้ก้อนหินนั้นถ้ายิ่งเป็นโคตรเพชรด้วยแล้วก็จะต้องนั่งกินนอนกินไปจนตายทีเดียวสองคนเราที่เกิดมานี้ทุกคนย่อมมีนี่เวรกรรมอยู่ในโลกมากมายนัก คือหนึ่งเป็นนี่บิดามารดาที่เอาเลือดเนื้อของท่านมาใช้สองเป็นนี่สัตว์สาราสิ่งที่บริโภคเลือดเนื้อของเขาเ ข, าเข้าไปตั้งแต่เล็กจนโตมานี้เรากินกุ้งหมูปูปลาเป็ดไก่วายวัวเข้าไปเท่าไรถ้าคิดถึงพวกกุ้งพวกปลาแล้วก็นับเป็นเข่งเข่งทีเดียวถ้าคิดถึงเป็ดไก่แล้ว ก็นับกันเป็นเล้าๆหมูก็นับเป็นสิบสิบตัวขึ้นไปทั้งนี้ก็โดยซื้อหาจากการกระทําอันเป็นบาปของผู้อื่นบ้างบางทีก็เป็นด้วยการกระทําของตนเองโดยจงใจฆ่าเขามากินซึ่งทั้งนี้ก็ล้วนเป็นนี่เวรกรรมเขาอยู่ทั้งนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่มีตัวใดยินดีที่จะให้ชีวิตของตนแก่ใครด้วยความเต็มใจเลย ล้วนแต่ถูกบังคับขมเหงใจให้มาเป็นอาหารทั้งนั้นและเมื่อเรากินเลือดเนื้อของเขาเข้าไปแล้วก็ยังมาตู่ว่าเป็นเลือดเนื้อของเราเสียอีกแท้จริงก็ล้วนแต่เป็นเลือดเนื้อของผู้อื่นทั้งสิ้นดังนี้จึงเรียกว่าเราเป็นหนี้เขาอยู่และถ้าเราไม่สร้างความดีไว้ใช้หนี้เหล่านี้แล้วพอคับขันสิ้นท่านอนหายใจครอก ตาหลับไม่ลืมลืมไม่หลับเมื่อไรนั่นแหละเขาจะพากันมาทวงหนี้ของเขาละคนเราเวลาที่มีสมบัติตึกครามบ้านเรือนดีๆอยู่เจ้าหนี้เขาก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่เขาก็มาคอยเก็บดอกเบี้ยอยู่เรื่อยๆได้แก่การเก็บป่วยเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งเขาก็ยังพอผ่อนผันให้เราบ้างยังไม่เรียกต้นคืนทั้งหมดทีเดียว แต่ถ้าเขาเห็นเราย่อยยับอับจนจะหมดเนื้อหมดตัวไปเมื่อไรนั่นแหละเขาจะรวมกันมาฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินของเขาคืนทันทีคราวนี้ถ้าเรามีโคดเพชร เ, เม็ดใหญ่คือบุญกุศลแล้วเราจะต้องไปกลัวอะไรก็จับก้อนเพชรโยนทุ่มหัวมาลงไปเลยเจ้าหนี้ต่างๆก็จะต้องหายเงียบไม่มีเสียงสหนีก็ได้แก่ การที่เราจะสมบุรณ์กุศลไว้ให้มากมากเมื่อถึงเวลาเจ็บไข้เราก็จะได้ต่อสู้กับความทุกขเวทนาได้หรือเวลาจะตายเราก็จะไม่ต้องทุรนทุรายนอนหลับตาตายอย่างสบายเป็นสุขและเมื่อตายแล้วเราก็จะต้องได้ชาติพบที่ดีเป็นที่ไปไม่ต้องไปเสวยทุกยากอยู่ในอบายเหตุนั้นบุญกุศล น, นี้แหละ จึงเป็นสมบัติที่เราจะใช้หนี้เวรกรรมทั้งหลายได้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 วันนี้จะได้นำธรรมะมาบรรยายให้ฟังสักข้อหนึ่งคือเรื่องวิมุตติธรรมเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมกำลังจิตใจของพวกเราทั้งหลายให้ก้าวไปสู่ทางแห่งความดีคือความสงบอันเป็นเหตุที่จะให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะธรรมะนั้นเปรียบเหมือนน้ำที่ใสสะอาดเมื่อผู้ใดได้บริโภคดื่มกินหรือใช้อาบ ชำระล้างร่างกายของตนแล้วผู้นั้นก็ย่อมจะได้รับความสดชื่นอิ่มเอิบและเยือกเย็นทั้งกายใจฉะนั้นขอให้พวกเราพากันตั้งใจสดัรตรับฟังและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์คือจะเป็นเครื่องชำระล้างบนทินโทษแห่งตัวเราเองให้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากเวรัยและความทุกข์ทั้งปวงได้ คนเราที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมจะต้องประสบกับความทุกข์ภัยพิบัติและความยุ่งยากด้วยประการต่างๆถึงจะอยู่ในโลกก็ตามหรืออยู่ในธรรมก็ตามก็ยังไม่พ้นไปจากความทุกข์เพราะทุกข์เป็นของประจําโลกประจําตัวทุกรูปทุกนามเมื่อใดเราพ้นไปจากโลกไม่กลับมาเกิดอีกนั่นแหละเราจึงจะพ้นไปจากทุกขฉะนั้น เราจึงควรจะต้องศึกษาให้รู้จักวิธีกำจัดทุกข์ว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดมาแต่อะไรและทําอย่างไรเราจึงจะพ้นไปจากทุกข์เหล่านี้ได้ความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่เหตุเมื่อเรารู้จักเหตุเราก็จะรู้จักวิธีกำจัดทุกข์ได้เหตุของความทุกข์นั้นก็ย่อมเกิดจากตัวของเราเองคือเครื่องกังวลใจต่างๆที่สะสมรุมรอบอยู่ในตัวเรา ดวงใจที่ไม่มีอิสระภาพต้องตกเป็นทาสของสิ่งอื่นตัวอย่างที่จะเห็นได้ง่ายๆเช่นเวลาที่เราหนีออกจากบ้านมาถึงวัดเราจะรู้สึกว่าจิตใจของเราค่อยปลอดโปร่งเบาขึ้นและมีความสุขมากกว่าเวลาที่เราอยู่ในบ้านนั่นเป็นเพราะเหตุไรก็เป็นเพราะใจของเราได้ปลดปล่อยภาระและกิจการบ้านอันเป็นเครื่องกังวลใจต่างๆเสียได้ชัว่วขณะ แต่ความสุขนั้นไม่ใช่สุขเหมือนกับที่เราได้เข้าไปนั่งอยู่ในโรงหนังหรือโรงละครเป็นความสุขสงบเย็นที่ปราศจากเรื่องเดือดร้อนกังวลใจต่างๆถ้าเรามาวัดแต่ใจของเรายังมีความห่วงใยในภา ร, ระทางอื่นหรือเรื่องราวทางบ้านอยู่ไม่สามารถจะละละวางได้ใจของเราก็ยังไม่มีความสุขฉะนั้นถึงเราจะมาอยู่ที่วัด แต่ใจยังหมกมุ่นอยู่กับการงานของโลกจิตใจของเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะหาความสงบพักผ่อนแห่งจิตไม่ได้เรียกว่าใจยังตกเป็นทาตเขาอยู่ไม่มีความอิสระความทุกข์ของคนเรานั้นมีอยู่สองอย่างคือทุกอย่างทาตกับทุกอย่างผู้ดีทุกอย่างทาตนั้นเป็นทุกข์ทางโลกคือตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาซึ่งเปรียบเหมือนกับนายจ้างที่โหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาปราณีแก่ผู้ที่รับใช้การงานคือมีการบังคับขู่เข็นให้ทำงานตลอดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาได้พักผ่อนหลับนอนอำนาจของกิเลสเป็นเช่นนี้ส่วนทุกข์อย่างผู้ดีนั้นเป็นความทุกข์ในทางธรรมเป็นความทุกข์ในทางาศาสนาได้แก่การที่เรายอมตัวเข้ามาเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะต้องรับใช้ท่าน ด้วยความสุดตริตกายวาจาใจเป็นทุก์เบาๆไม่ไร้ากาศทารุนเพราะบุคคลที่ใช้เราคือพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นลูกกริย์มีพระนิสัยอ่อนโยนสุภาพและท่านเป็นอริยะอริยะแปลว่าผู้เจริญแล้วหรือผู้ทรงคุณธรรมท่านเป็นผู้ดีธรรมดาของผู้ดีนั้นก็ย่อมมีเมตตาจิตท่านจะใช้การงานอะไร ก็รู้จักใช้เป็นเวลาไม่พร่ำเพื่อมีเวลาให้ได้พักผ่อนหลับนอนและหาความสงบใจได้บ้างแต่ถึงกระนั้นก็ดีเราก็ยังไม่มีอิสระเพราะยังถูกท่านใช้ให้ทำงานอยู่เรายังต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านจึงยังไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ตัวอย่างสั้นๆเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้เจ็ดวัน ก็มีผู้ที่เลื่อมใสในพระองค์พากันเศร้าโศกเสียใจว่าตอนนี้ไปเมื่อพระองค์ไม่มีพระชนอยู่แล้วใครเล่าจะมาเขี้ยวเข็นว่ากล่าวให้เราทําดีอย่างนั้นอย่างนี้อีกนี่ก็แสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นยังต้องพึ่งพาอาศัยพระพุทธเจ้าอยู่เมื่อไม่มีพระองค์แล้วก็จะพากันละเลิกท้อถอยไม่ประกอบความดีได้ต้องอาศัย อยู่ในบังคับบัญชาของผู้อื่นแล้วจึงจะทำคุณงามความดีแก่ตัวเองได้สิ่งนี้เป็นการผิดพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้คนเราอาศัยคนอื่นสิ่งอื่นเป็นสารณะที่พึ่งแม้จะเป็นการพึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ท่านก็ยังไม่ทรงสรรเสริญว่าเป็นความดีแท้พระองค์ต้องพระประสงค์ให้บุคคลมีตนของตนเองเป็นที่พึ่งคืออัตตาหิอัตโนนาโถ ไม่ต้องอาศัยอิงผู้อื่นให้มีตนของตนเป็นหลักมีตนของตนเป็นใหญ่เป็นอิสระภาพไม่ต้องขึ้นแก่ใครนี้แหละจึงจะพ้นจากความเป็นทาตและมีความสุขได้การเป็นทาตของผู้ดีหรือเป็นทาตทางธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นี้ก็คือท่านใช้ให้เราทําทานศีลและภาวนาอันเป็นบุญกุศล ที่จะให้บังเกิดมีขึ้นในตนของตนการทำทานก็ยังต้องเป็นทุกข์เหนื่อยยากเพราะต้องขนขวายหาทรัพย์สิงของมาทำบุญทำกุศลต่างๆรักษาศีลก็ต้องมีการเสียสละกายวาจาในอันที่อยากจะทำจะพูดอะไรๆตามความพอใจทั้งสองอย่างนี้เป็นการทำประโยชน์และรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมากกว่าตัวเอง แต่การเจริญสมาธิภาวนานั้นเป็นการเสียสละวัตถุภายในได้แก่จิตใจที่เป็นโทษอันตกไปในบาปอากุศลทำใจให้บริสุทธ์ตั้งมั่นทำใจให้เป็นใหญ่เป็นอธิปฏิ ป, ฏปัจยโยคือเป็นอิสระภาพในตนเองอย่างนี้เรียกว่าปฏบิบัติบูชาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยิ่งกว่าอามิสบูชา อาิสบูชานั้นแม้ผู้ที่ใช้ให้ทำจะมีส่วนได้ส่วนแบ่งในการกระทำของเขาแต่ก็ไม่ทรงสรรเสริญยิ่งกว่าปฏิบัติบูชาซึ่งผู้ใช้ให้ทำไม่ได้มีส่วนได้ส่วนแบ่งในการกระทำของเขาเลยเป็นประโยชน์เฉพาะตัวผู้ที่ถูกใช้ให้ทำอย่างเดียวเท่านั้นแต่พระองค์ก็ทรงพอพระทัยในสิ่งนี้เพราะการปฏิบัติ จ, จิตใจให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ เป็นทางที่จะทําให้บุคคลผู้ปฏิบัติพ้นจากความทุกข์พระองค์มีพระเมตตากรุณาหวังจะช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายเหตุนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้พวกเราพากันเจริญภาวนาเพื่อทําดวงจิตให้หลุดพ้นจากความเป็นทาตกิเลสของโลกเมื่อเราตกเข้ามาในสายของศาสนาคือยอมตัวเป็นทาตในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วแต่จิตใจของเรา ยังมีเครื่องกังวลอยู่เราก็ยังไม่พ้นไปจากทุกข์ได้การเป็นทาสเปรียบเหมือนเป็นลูกหนี้เขาอยู่คนที่เป็นลูกหนี้เขานั้นย่อมไม่มีอิสระในดวงใจต่อเมื่อเราได้หาเงินไปชําระเจ้าหนี้เขาได้หมดสิ้นเมื่อใดนั่นแหละใจของเราจึงจะเป็นสุขมีความอิสระหมดความยุ่งยากกังวลใจหรือเราผ่อนหนี้ใช้เขาได้มากเท่าใด เราก็จะได้รับความสุขใจเบาใจมากขึ้นเท่านั้นนี้อุปมาฉันใดถ้าบุคคลเรามาละความกังวลใจในเรื่องราวต่างๆเสียได้ความสงบก็จะบังเกิดขึ้นในดวงจิตบุคคลนั้นก็จะพ้นจากความเป็นทาตของกิเลสตัณหามีความสุขใจเพราะความสงบเป็นเหตุให้พ้นจากความทุกข์เหตุนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้พวกเราพากาันฝึกหัดอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิ เกิดความสงบคือบำเพ็ญความดีให้เกิดมีขึ้นในตนของตนกล่าวคือบุญกุศลอันเป็นบอ่อเกิดแห่งอริยทรัพย์เพื่อจะได้เป็นการชำระหนี้ศีลของตัวเราเองให้หมดสิ้นไปความเบาสบายก็จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นภาระและความทุกข์ทั้งหลายก็จะปลดเคลื่องไปจากใจอันจะก้าวไปสู่ความเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์ความทุกข์ในทางธรรมก็คือ ใจที่คล่องอยู่ในกามวิตกกามวิตกนี้มีอยู่สองอย่างคือกุศลวิตกและอกุศลวิตกอกุศลวิตกก็คือใจที่ตรึกนึกคิดไปในทางไม่ดีคิดในความโลภโกรธหลงเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์ต่างๆทั้งอดีตอนาคตนี้เรียกว่าใจที่ตกเป็นาธาตุของกิเลสส่วนกุศลวิตกนั้นก็คือใจที่คิดไปในทางที่ดี ในเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลบุคคลจะต้องพยายามละวิตกทั้งสองอย่างนี้ไม่ให้มีขึ้นในดวงใจผู้นั้นก็จะก้าวพ้นจากความเป็นาธาตได้เหตุนั้นท่านจึงสอนให้จเจริญสมาธิภาวนาอันประกอบด้วยบุญญากิริยาวัตถุมีองค์สามเหมือนเชือกสามเส้นที่เราคว้นให้รวมเป็นเกลียวเดียวกันไม่ได้แตกแยกออกไปเป็นคนละทาง บุญยะกิริยาวัตถุที่กล่าวนี้ก็คือ 1. วัตถุสมบัติได้แก่การนึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นจุดหมาย 2. เจตนาสมบัติได้แก่การมีสติกำหนดรู้ในลมหายใจด้วยการระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณน้อมตามเข้าไปด้วยเช่นที่เราภาวนาว่าพุทโธตามเข้าออกพร้อมกันไปกับลมหายใจเป็นต้น 3. คุณสมบัติ คือความฉลาดรอบคอบในการเดินหน้าถอยหลังและตั้งอยู่หมายถึงการตัดสัญญาอดีตอนาคตให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันถอยหลังได้แก่สัญญาอดีตเดินหน้าได้แก่สัญญาอนาคตทำใจให้คล่องแคล่วสะดวกสบายทำกายให้เป็นสุขดังคําบาลีที่ว่าอตีตังนานวากะมยะนปะติกังเขอนากะตังปัจจุบันนันจะโยธรร ม, มัง ตัฐะตัะวิปัสสติซึ่งแปลว่าบุคคลปลดปล่อยสัญญาอดีตอนาคตทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันได้แล้วบุคคลนั้นก็ย่อมจะถึงขึ้นความสุขได้นอกจากนี้การเจริญสมาธิจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอีกสี่ประการคือหนึ่งฉันทะพอใจในเหตุแห่งความสงบคือความสุขกายสุขจิตอันเกิดแต่ลมหายใจของตน 2. วิริยะคือความภาคเพียรในการทำเหตุแห่งความสงบคือเพียรระงับดับนิวรณธรรมอันเกิดจากสัญญาอารมณ์ต่างๆให้ขาดจากใจเป็นปหานาิจเพียรทำความเจริญในการมีสติตั้งมั่นในปัจจุบันไม่ลืมไม่เผลอเป็นภาวนากิจ 3. จิตตะสนใจอยู่ในความสงบแห่งกายและจิตซึ่งตนได้รับอย่างเดียว ไม่คิดในสิ่งอื่นสวิมังสามีความฉลาดรอบครอบในการสำรวจตรวจดูในกิจการซึ่งตนกระทาว่าจะเป็นไปโดยถูกต้องสะดวกสบายหรือขัดข้องประการใดถ้าไม่ดีก็แก้ไขดัดแปลงให้ดีมีความรอบครอบในการเดินหน้าถอยหลังและตั้งอยู่เมื่อจิตของผู้ใดประกอบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติอันเป็นอิทธิบาททั้งสี่นี้แล้ว จิตของผู้นั้นก็จะตั้งมั่นอยู่ในสมาธิแล ะ, จะเจริญขึ้นเป็นลำดับจนก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเอก ข, ะขะตารมผู้นั้นก็จะละกิเลสออกจากใจได้ขาดเป็นห่วงๆ่วงถึงแม้จะยังละไม่ได้เด็ดขาดทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงสรรเสริญเพราะผู้นั้นมีหนทางที่พอจะดำเนินต่อไปให้พ้นจากความทุกข์ได้ การที่จะชาระหนี้สินของตัวเราให้หมดไปได้นั้นก็คือการทำพื้นที่นาสี่ไร่ของเราให้เกิดผลงอกงามได้แก่การทำธาตุทั้งสี่ในกายตัวเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยการเจริญเมตตาภาวนาใช้ลมบริสุทธิ์เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกส่วนเมื่อใจบริสุทธิ์กายสบายก็เท่ากับพื้นที่นาหรือที่สวนของเรานั้นมีฝนและน้าหล่อเลี้ยงต้นข้าว งอกงามดีคือสมาธิของเราตั้งมั่นยังดวงจิตให้เข้าสู่ปฐมฌานเป็นต้นวิตกนั้นก็ได้แก่คราดวิจาร์ได้แก่การไถและหวานพืชปิติก็เหมือนกับต้นไม้ของเราออกช่อสุกเป็นตุ่มและบานขยายเอกคตาผลของมันก็เกิดตามมาจนสุกเหลืองมีรสหวานซึ่งมเมล็ดในของมัน ยังสามารถที่จะคุมโคตรแท่วงตระกูลของมันไว้ได้ทั้งหมดด้วยคือภายในมเมล็ดของมันนั้นย่อมมีทั้งลำต้นกิ่งก้านและดอกใบรวมอยู่ด้วยกันทั้งสิน้นเมื่อผู้ใดนำไปเพาะมันก็จะแตกเป็นต้นเหมือนกับพืชพันธ์เดิมของมันฉันใดผู้ที่จเจริญสมาธิจิตเข้าสู่ปฐมฌานย่อมจะบังเกิดปุเพนิวาสยานระลึกชาติกาเนิดของตนที่ล่วงมาแล้วได้ นับเป็นหลายๆชาติก็มีซึ่งดีบ้างเลวบ้างต่างๆกันอันเป็นเหตุให้ยังความดีใจบ้างเสียใจบ้างทั้งนี้จึงเป็นเหตุทําให้สรดใจเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายจืดจางในชาติพบของตนจิตก็จะปล่อยวางความยึดถือในตัวในตนในรูปในนามปล่อยวางในสัญญาอารมณ์อดีตอนาคตทั้งดีและชั่ว ตั้งจิตเป็นกลางอยู่ในอุเบกขาสมาธิพยายามทําความเพียรเจริญจิตให้แก่กล้าจนบรรลุในฌานสูงขึ้นเป็นลําดับผู้นั้นก็จะตัดชาติพบความเกิดของตนให้สั้นเข้าน้อยเข้าทุกทีนับตั้งแต่เป็นโสดาบันขึ้นไปก็มาเกิดในมนุษย์โลกอีกเกตชาติเป็นสกิทาคาก็มาเกิดอีกหนึ่งชาติเป็นอนาคาไปเกิดในสุดทาวาสเมื่อจิต ก้าวเข้าสู่โคตรภูญาณข้ามจากโลกียะไปสู่โลกุตระจิตก็จะวิมุตต์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าถึงพระนิพพานเป็นที่สุดนี้เป็นการใช้นี่หมดไม่มีเหลือสมดังคําบาลีที่กล่าวว่าวิมุตตัสัมิงวิมุตตมิติยานังโคติขีนาชาติวุสิตังประมาติริยังซึ่งแปลความว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีความรู้ว่าเรามีจิตหลุดพ้นแล้วสิ้นชาติอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเหตุนั้นจึงควรพากันสนใจปฏิบัติขัดเกลียจิตใจของตนของตนเพื่อให้หลุดพ้นจากเครื่องกังวลใจอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความสงบเย็นเป็นสุขของแผ่ก็จะบังเกิดมีขึ้นในดวงใจเหมือนคนที่ได้เปลื้องหนี้สินและภาระรุงรังต่างๆออกจากตนบุคคลนั้น ก็ย่อมจะมีอิสรภาพก้าวพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังพรนานามาด้วยประการชนี้